สแสดงเรื่องเกี่ยวกับอายตนะภายในแล้วก็อายตนะภายนอกเรียกว่าอายตนะบัพพะในหมวดที่สี่นั้นพูดถึงเรื่องธรรมะอันเป็นคนเครื่องเกี่ยวกับการตรัสรู้เรียกว่าโพชฌงโพชังคบัพพะสําหรับในหมวดสุดท้ายหมวดที่ห้านั้นน่ยท่านสแสดงถึงเรื่องอริยสัจธรรมสี่ประการเรียกว่าสัจจบัพพะ ในสภาพธรรมทั้งห้าหมวดเนี่ยเป็นธรรมานุปัฏนานนะธรรมานุปัฏนาสติปัฏฐานอันนี้ถ้าเราเราจะดูกันในในหมวดหมู่แห่งปรมตถธรรมว่าในหมวดหมู่แห่งปรมตถธรรมที่ท่านแสดงจิตเกตทสิก ร, รูกแล้วก็นิพพานเนี่ยอันไหนจะจัดลงในสติปัฏฐานข้อไหนนะ ในกายานุปัสนาสติปัฏฐานนั้นได้แก่รูปรูปประมัติเนี่ยจะเป็นกญญนายานุปัสนาสติปัฏฐานอันนี้ในในเจตสิกธรรมท่านก็นำมามสแสดงเป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานหมวดหนึ่งแล้วก็ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานอีกหมวดหนึ่งส่วนในจิตประมัตินั้นท่านแสดงเป็นจิตานุปัสนาสติปัฏฐานนะ ส่วนนิพพานเนี่ยท่านไม่ได้นำเอามาแสดงเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานเพราะว่าบุคคลที่ถึงนิพพานนั้นเนะี่ยภาวะของนิพพานเป็นเป็นโลกุตรธรรมเราจะเห็นว่าในในโลกุตรธรรมเนี่ยท่านไม่ได้นำเอามาเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานหละตั้งแต่โลกุตระจิตแล้วก็สภาพเจตสิกธรรมที่ประกอบอยู่ในนั้นแล้วก็นิพพานเนี่ยไม่ไม่ได้นำเอามาเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐาน กนันำมาแต่เฉพาะโลกียธรรมมาเป็นอารมณ์ที น, นี้ก็มาดูในในเรื่องของนิวรธรรมในในนิวรณธรรมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในชีวิตประจาวันของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราบางครั้งต้องต่อสู้กับนิวรธรรมนิวรธรรมเกิดขึ้นอยู่กับเราตลอดเราเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในเรื่องของธีรามิทะเนี่ยเกิดขึ้นอยู่กับเราเป็นประจา ทำไปแล้วเราก็ต้องต่อสู้กันกับทีนมิตะเกิดความห่วเหงาห้าวนอนต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับอ anyway. ุทธัจจคุกุจจะอุทธัจจคุกุจจะนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราเป็นประจําเวลามาปฏิบัติธรรมเราก็จะเจออุปสรรคเกี่ยวกับทีนมิทตะแล้วก็อุทธัจจคุกุจจะนะคทวนี้ในส่วนของวิจิกิจฉาก็มีอยู่บ้างอะส่วนวิจิกิรฉาส่วนพยาปาทะส่วนจามัชันทะเนี่ย เวลาเรามาปฏิบัติจริงๆก็ไม่ไม่ได้ลบควรอะไรเรามากมายนัการไม่ชันทะเราก็ไม่ค่อยลบควรอะไรมากมายแล้วก็พยาปาทะเนี่ยตัวปฏิฆะตัวโทสะนี่ก็ไม่ได้ลบควรอะไรเรามากมายวิจิกิจารามางเวควารรมสงสัยเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างนะสำหรับบางท่านบางบุคคลแต่ที่เราต้องต่อสู้กันก็คือเรื่องของทีนามิตะแล้วก็อุท ธ, ธัจจะกุกุจจะ เพราะว่าเราใส่ใจพอใส่ใจไม่ถูกธีนมิธะก็จะมานะพอธีนมิธะมาเนี่ยเราใส่ใจไม่ถูกธีนมิธะก็ไม่หมดไปส่วนสภาพของตัวกรรมะันทะพยาปาทะเหล่านี้เนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านท่านแสดงไว้ชัดเจนนะในหมวดธรรมานุปัชนาสติปัฏฐานเนี่ยคืนี่เวาลาทำทั้งห้าเลยเนี่ยทั้งห้าข้อเนี่ยท่านท่านจะแสดงว่าเกิดจากอะไร พอเราไปศึกษาในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเราจะทำให้เรามองเห็นกิเลสเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสภาพของกิเลสคือนิวรธรรมเนี่ยเขาเกิดจากอะไรแล้วก็เขาจะหมดไปได้อย่างไรเนี่ยท่านจะแสดงแสดงไว้ในลักษณะอย่างนี้นี่ถ้าเราปฏิบัติตามนั้นก็สามารถที่จะขจัดนิวรธรรมได้ แล้วก็ถ้าเราไม่ระวังเนี่ยนิวรธรรมก็จะเกิดอย่างการมันทะเนี่ยได้จากความยินดีความพอใจนะสภาพความยินดีความพอใจความผูกพันในกา ร, รมัคคุณอารมณ์เนี่ยจิตยินดีจิตพอใจในกา ร, รมัคคุณอารมณ์นั้นเรียกว่ากามมันทะสภาพของการมันทะก็ได้แก่โลภะนั่นเองโลภะความกําหนัด ความยินดีความพอใจความอยากได้ความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแล้วก็ในผลธรรมในอารมณ์ต่างๆจัดเป็นเป็นก ร, รมม่ฉันทะการไม่ฉันทะเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะการไม่ฉันทะเกิดขึ้นจากการดรําริสภาพของอาคุสลธรรมเวลาเกิดเกิดขึ้นมีสมุดฐานอย่างเดียวกันนะคือเกิดขึ้นจากการดรําริเกิดขึ้นจากการใส่ใจ โดยไม่แยบคายเนี่ยฉันว่าการกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แยบคายเนี่ยจะเป็นเหตุทําให้กรารมมฉันทะเกิดขึ้นและก็กาทาให้กรารมไฉันทะนั้นเนี่ยจเจริญงอกงามยิ่งขึ้นการใส่ใจผิดเนี่ยเป็นอาหารของกรรมไม่ฉันทะจิตก็จะไม่ปรุงแต่งที่จริงหนาวทนไม่ไหวเนี่ยเป็นการปรุงแต่งร้อนเหลือเกินเป็นการปรุงแต่งจิตเป็นพวกปรุงแต่งไปเท่านั้นเองเ อันนี้การเข้าไปสําคัญมั่นหมายในในปฏิฆนิมิตเป็นอาหารของโทสักท่านเลยจะเป็นอาหารของโทสักโทสักที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลําดับการเข้าไปสําคัญอย่างนั้นคนเราเนี่ยนะพอกี้ยังไม่ทันรู้จักกันก็โกรธกันแล้วไม่ชอบขี้หน้าคนคนนี้เลยเรายังไม่ทันรู้จักกัน ไม่รู้เขามีอัธยาศัยอย่างไรเนี่ยเรายังไม่ทันรู้แต่เราเห็นหน้าเขาเนี่ยเราไม่ชอบหน้าเขาแล้วไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันบอกไปก่อนว่าเขาไม่ดีพอบอกว่าไม่ดีพวกเราไม่ชอบเขาแล้วไม่อยากเห็นหน้าเขาไม่อยากอยู่ใกล้เขาไม่อยากฟังเสียงเขาบางทียังไม่ทันเห็นกันด้วยซ้อนไปเนี่ยรู้สึกไม่ชอบใจกันขึ้นมาแล้วเคยเป็นไหมในพวเราเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นคนคนนี้เลยเพียงแต่ได้ยินข่าว เขาบอกว่าคนคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราเข้าไปสําคัญมั่นหมายตามนั้นใช่แล้วแล้วเราก็เกิดตามรู้สึกปฏิฆาเขาใช่แล้วเกิดความไม่พอใจเขาใช่แล้วแต่จริงๆเวลาเราพบเขาจริงๆเขาหาเตียนเทียนนั้นไหมแบบนี้ก็มีนะโดยใจของเราเนี่ยเป็นเป็นผู้ปรุงปรุงไปก่อนเป็นผู้ปรุงไปในลักษณะว่าเขาไม่ดีเราไปมองใครสักคนหนึ่งว่าเขาไม่ดีเนี่ยเราจะเกลียดเขาพตเราไปมองในยะตรงข้ามนะว่าเขาดีมองว่าเขาดีบ่อยๆแล้วก็จะรักผูกพันในตัวเขา มองว่าเขาไม่ดีบ่อยๆเราก็จะเกลียดเขาเจิตเนี่ยเป็นผู้ปรุงไปก่อนผู้ปรุงเป็นผู้บอกเขาก็ไม่ดีบอกว่าดีไอความรู้สึกว่าดีเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการมฉันทะไอความรู้สึกบอกว่าไม่ดีเนี่ยจะเป็นเหตุทําให้เกิดปฏิฆะเกิดโทสะอันนั้นเป็นอาหารอาหารของการม่ฉันทะและเป็นอาหารของโทสะจะทําให้โทสะเกิดขึ้นคราวนี้เราเราจะทําแบบไหนถ้าจะละโทสะทําแบบไหน การละโทสะ ก, ก็ละด้วยการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยตคายเข้าไปใส่ใจตามความเป็นจริงรูปที่เราสำคัญมั่นหมายว่าไม่ดีนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปเห็นว่าสภาพของรูปนั้นเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แตกดับไปถ้าเราไปมองเห็นว่าเขาเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แตกดับไปเนี่ยคือจิตของเราเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ไปสาคัญมั่นหมายนะ เราไม่เข้าไปสำคัญมั่นหมายในลักษณะว่าไม่ดีเนี่ยจิตของเราก็จะไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปปรุงแต่งในลักษณะทำให้เกิดเกิดความรู้สึกขัดใจให้เราใส่ใจตามความเป็นจริงใส่ใจมองให้เห็นรูปที่ปรากฏทางตาเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกลับไป ไอการเห็นการดับไปเนี่ยทําให้ใจของเราเนี่ยตัดอะไรในลักษณะยินดีแล้วก็ไม่เข้าไปสําคัญมั่นหมายในลักษณะยินร้ายเพราะสิ่งนั้นหมดไปให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วรูปเสียงกลิ่นรสปดทัพทพระเนี่ยปรากฏทางตาก็หมดไปจากตาปรากฏทางหูหมดไปจากหูปรากฏทางจมูกหมดไปจากจมกูกปรากฏทางลิ้นก็หมดไปจากลิ้นปรากฏทางกายก็หมดไปจากกาย เราเห็นว่าเขาหมดไปเนี่ยพอมองเห็นว่าหมดไปคือเห็นว่าไม่มีเมื่อเห็นว่าไม่มีเนี่ยเราจะอยากได้ได้ไหมเราไปเห็นของมีอยู่เราอยากได้แล้วต่อมาของนั้นหมดไปเราเห็นว่าไม่มีแล้วถามว่าความอยากได้จะมีอีกไหมเพราะอยนั้นหมดไปแล้วคนอื่นมาหยิบไปหมดคนนั้นก็หยิบไปคน Kauf นี้ก็หยิบไ ป, อ, ไปอ่าหมดใช่แล้วที่ตอนยังอยู่เนี่ยเราอยากได้สมมติว่าเอาหนังสืมอามาแจกนะเอาหนังสือมาแจกเนี่ยวางไว้ไกองใหญ่เลยเห็นตาอยากได้มีอยู่ บางคนก็ต่างมาหยิบหยิบไปหยิบไปเอ่ะหมดพอดีเห็นว่าหมดไปแล้วเรารู้สึกอยากได้ยังมีอีกไม่หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีแล้วไม่รู้จะอยากได้อะไรหมดนั่นมองเห็นอารมณ์เนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสปศุภะเนี่ยมองเห็นว่าเป็นอนัตตาคือว่างเปล่าไม่มีพอมองเห็นว่าเป็นอนัตตาเวลาใดเนี่ยจิตที่จะไปรู้สึกยินดีในสิ่งนั้นก็ไม่มีจิตจะไปรู้สึกขัดใจในสิ่งนั้นก็ไม่มีก็จะเหลือแต่เฉย ด้วยโยนิสโสมนสิการการจเจริญวิปัสสนานั่นเองโยนิสโสมนสิการการใส่ใจรูปโดยความเป็นรูปใส่ใจนามโดยความเป็นนามใส่ใจตรงประเด็นใส่ใจรูปประธรรมว่าเป็นรูปประธรรมใส่ใจนามมาธรรมว่าเป็นนามมาธรรมเห็นรูปตรงรูปเห็นนามตรงนาม แล้วต่อจากนั้นเห็นสภาพของรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาพของนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าโยนิโสมนัสิการการกระทําไว้ในใจโดยอุบายแยบกายแล้วก็ยังมีมีวิธีอื่นอีกไงที่จะละตัวพยาบาทละปฏิฆะที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยท่านบอกว่าให้เราเจริญเมตตาภาวนานะ่ะเจริญเมตตาเจโตวิมุตตเจริญเมตตากรรมฐานคือ แผ่เมตตาการกระทําไว้ในใจด้วยความรู้สึกปราถนาดีนะมาพูดกันอยากเข้าใจง่ายๆเมตตาก็คือทําความรู้สึกปราถนาดีคือเราปราถนาดีต่อเขาใช่ไหมเราโกรธเขาเนี่ยเพราะเราไม่ปราถนาดีต่อเขาเน่ะถ้าเราปราถนาดีต่อเขาเนี่ยเราจะไม่โกรธเขาแล้วปราถนาดีต่อเขาอยากให้เขาให้เขาได้ดีอยากให้เขาเป็นคนดีอยากให้เขาได้ดีเนี่ย คือพอเราปรารถนาดีต่อเขาเนี่ยเราจะไม่โกรธเขาคนที่เราปรารถนาดีเนี mm ่ยเราไม่โกรธเขานคนที่เรารักเขาเนี่ยเราไม่โกรธเขาแต่ที่เราโกรธเขาเพราะเราขัดใจในตัวเขาฉะนั้นถ้าเราปรารถนาดีต่อเขาเนี่ยไอตัวปฏิฆะเนี่ยจะไม่เกิดท่านจึงให้เราฝึกฝึกทําใจให้เกิดเมตตาเไงให้ใจของเราเนี่ยเป็นเป็นเมตตาเจริญเมตตาแผ่เมตตาก็คือแผ่ความปรารถนาดี ไปยังมวลหมู่สัพพสัตย์ไอแผ่เมตตาเนี่ยจะต้องฝึกค่อยค่อฝึกเพราะใจของเราบางครั้งยังไม่เมตตาเมยังไม่เมตตาก็ต้องพยายามเมตตาต้องพยายามนะเมตตามองแล้วก็เมตตามองแล้วก็ปรารถนาดีเห็นเขาทุกข์ก็อยากให้เขาพ้นทุกข์เขาลําบากก็อยากให้เขาพ้นจากความลําบากคือคืออยากออยากอยากจะเกื้อกูลเขาอยากจะช่วยเหลือเขาช่วยได้ก็ช่วยเลยนะเกื้อกูลได้ก็เกื้อกูลเลย คื่เอาตัวเราเนี่ยเข้าเข้ า, เ ข, าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาในลักษณะต้องการให้เขาพ้นจากทุกข์จริงๆมันจะคิดเอาแนะเป็นการคิดเอาเล่นๆเภสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เนี่ยกล่าวด้วยวาจาแต่ใจยังไม่เมตตาก็ยังไม่ได้ผลต้องให้เกิดจากใจจริงๆมองเห็นแล้วเห็นพระทุกข์แล้วก็อยากให้เขาพ้นทุกข์จริงๆอยากให้เขามีความสุขมากก่านั้นจริงๆแต่เราทำจิตของเราให้เกิดเมตตาเนี่ยตัวปฏิฆาจะไม่เกิดตัวโทสะจะไม่เกิด จึงต้องเรียนศึกษานิมิตของเมตตาแท่เมตตาไปโดยเจาะจงและไม่เจาะจงแท่เมตตาไปในพิษต่างๆโดยเจาะจงและไม่เจาะจงสองสถานะเจาะจงตัวบุคคลก็ได้ไม่เจาะจงตัวบุคคลก็ได้ให้เมตตาใหม่ๆที่จะเกิดเนี่ยเจาะจงก่อนเจาะจงเป็นตัวบุคคลไปไว้คนนี้เป็นอย่างนี้ พอเจาะจงไปในลายตัวบุคคลจนชำนาญแล้วก็แผ่รวมเลยสัระศัพท์ทั้งหมดจิตมันก็จะเมตตาเกิดขึ้นไปในมวลหมู่สัระศัพท์ใหม่ๆไม่เกิดนะแผ่เมตตาไปยังมวลหมู่สรระศัพท์ทั้งหมดมันมองไม่เห็นว่าคือใครบ้างเมตตาจะยังไม่เกิดแต่เจาะจงก่อนพอเจาะจงแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ฝึกแผ่เมตตาโดยไม่เจาะจงเมตตาก็จะเกิดขึ้นพอเมตตาเกิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นใจจะไม่เกิดปฏิฆะเมตตาเขาแต่เราได้รับความสุข เราเราได้รับนะแล้วเขาก็สุขเพราะเราไม่คิดร้ายต่อเขาเขาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาก็สบายใจลองฝึกแผ่เมตตาให้กับบุคคลที่ใกล้ชิดตัวเราก่อนแล้วก็กระจายออกไปเอาบุคคลที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยเอาบุคคลที่ทํางานร่วมกันกับเราเนี่ยคนคนที่เราไม่ชอบใจเขาในที่ทํางานเนี่ยไปทดลองนะในที่ทํางานที่เราไม่ชอบใจเขาเจ้านายเราไม่ชอบใจเขาเนี่ย เพื่อนคนนี้เราไม่ชอบใจเขาเนี่ยให้เราไปฝึกมองใหม่มองในลักษณะสงสารเขาเป็นคนชอบกันแกล้งเราอิจฉาริษยาเราเราก็มองในมุมกลับเรามองในลักษณะสงสารเขามองในลักษณะเขาอาภัพมองในลักษณะเขามีผมด้อยมองในลักษณะเขามีจุดบกคร่องแล้วเราก็สงสารเขาแล้วก็เมตตาเขาถ้าเราเมตตาเขาบ่อยๆจนใจของเราเนี่ยไม่คิดปฏิทุสลายเขาเนี่ย เราปราศถนาดีต่อเขาเนี่ยเราจะไม่โกรธตอนทีเก็ด่าเรามาเราก็ไม่โกรธทําไมเราปราศฐานะดีต่อเขาเนี่ยลูกเราเราโกรธไหมลูกของเราเนี่ยเราไม่โกรธเพราะเรารักลูกเราเราไม่โกรธลูกเราเราปราศถนาดีต่อต่อบุตรของเราเนี่ยเราเลยไม่โกรธอันนี้ก็เหมือนกันและอยู่ไม่นานน่ะพอเราปราศถนาดีต่อเขาเราไม่คิดล้ายต่อเขาเนี่ยเขาจะพ่ายแพ้อยู่ไม่นานเนี่ยเขาจะพ่ายแพ้เราคนที่ว่าเราบ่อยๆด่าเราบ่อยๆใส่ร้ายเราบ่อยๆ หยิบยื่นความปรารถนาดีให้เขาไม่นานนะเขาเขาจะค่อยๆลดลดลงด่าบ่อยๆใส่ร้ายเราบ่อยๆกระทบเราบ่อยๆเราไม่ถือเขาเราหยิบยื่นความปรารถนาดีให้เขาไม่นานเนะี่ยเขาก็จะพ่ายแพ้จะค่อยๆเงียบไปเองเต่ยไปลองทดลองดูมันอยู่ที่ตัวเรานะชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธชนะคนตนีด้วยการให้ ชนะคนชั่วด้วยการกระทำดีพระพุทธเจา้าแสดงไว้นะลองทดลองดูแต่ใจของเราไม่ถึงใจเราไม่ถึงเราถูกกระทบหน่อยเราก็พ่ายแพ้เราทำต่อไปไม่ได้เมตตาก็เลยไม่สมริดผลนั่นเเจริญเมตตาภาวนานะเรียนนิมิตของเมตตาแล้วก็เจริญเมตตาภาวนาพิจารณาว่าตัดทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน ไอการพิจารณาวัตถุทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนก็ทําให้เราเนี่ยคลายคลายโกรธเขาได้เขาทากรรมอย่างนี้เขาก็จะมีผลของกรรมนั่นเราไม่ต้องไปทําเขาไม่ต้องไปทําร้ายเขาอะเขาจะต้องได้รับผลของกรรมของเขาที่เขากะทําเราไม่จําเป็นต้องไปประทุษร้ายเขาไม่จําเป็นต้องไปโกรธเขาเดียวเขาก็ได้รับกรรมของเขาเองที่เขากะทําไว้ไอเห็นวัตถุมีกรรมเป็นของของตนเราก็จะวางเฉยจัดก็เป็นไปตามกรรม เป็นผู้มากด้วยการพิจารณานะพิจารณาบางที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมีการยาณมิตรต้องครบการยาณมิตรแล้วก็สนทนากันถึงเรื่องการเจริญเมตตาเวลาจะคุยกับใครก็คุยกันถึงเรื่องแผ่เมตตาการเจริญเมตตาการปรารถนาดีการไม่ประทุษร้ายการไม่เบียดเบียนพอไปเจอหน้ากันก็คุยกันคนนั่นทําไม้ดีอย่างนี้คนนี้ทําไม่ดีอย่างนี้เดี๋ยวกรอดกรอดตอบอีก มันมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมเหมือนกันอันนี้เกี่ยวกับพยาตาทะมาอยากจะต่อถึงเรื่องทีนัมิทธะอีกนิดหนึ่งนี่ยเเวลาหมดเรื่องทีนัมิทธะครับของของของของทีนัมิทธะทีนัมิทธะเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะทีนัมิทธะเราได้ยินคําว่าหดหูใช่ไหมจิตหดหูจิตทอดถอยจิตถอดถอยเป็นนิวรธรรมนะนิวรธรรมข้อหนึ่งเกิดขึ้นเราเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เราพ่ายแพ้นะเวลาปฏิบัติธรรมเนะี่ยเราเราพ่ายแพ้ ทีนามิทพระเนี่ยท่านแสดงนะแสดงตัวทีนามิทระไว้ว่าสภาพหดหูสภาพท้อถอยความมีจิตมีจิตเบื่อหน่ายสภาพที่มีจิตเบื่อหน่ายภาวะของทีนามิทพระเนี่ยท่านแสดงไว้ที่จะเกิดขึ้นนะเป็นสภาพของทีนามิทพระท่านใช้คําว่าความเป็นผู้มีจิตละอาเป็นใช้คําว่าอรติความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายละอาไม่ไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะรับทราบในอารมณ์ปันติความเป็น เป็นผู้อืดอาบวิชันพิกาความเป็นผู้บิดกายก็คือขี้เกียจนั่นแหละแล้วก็มทะนะความเมาอาหารความหดหูแห่งเจ็บเป็นสภาพของของถีนมิทะนะความหดหูภาวะของความหดหูก็คือสภาพของของความละอาความเบือบ่อหน่ายเบื่อหน่ายหรือความถดถอยสภาพที่ถดถอยเราได้ยินคำว่าท้อถอยท้อถอยจากอารมณ์ จิตท้อถอยจิตท้อถอยก็คือจิตไม่เข้าไปรับรู้รูปมีแต่จิตไม่เข้าไปรับรู้ไม่น้อมไปหารูปเสียงมีจิตไม่น้อมไปหาเสียงกลิ่นมีจิตไม่น้อมไปหากลิ่นรสมีจิตไม่น้อมไปหารสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนเพรีงมีจิตไม่น้อมเข้าไปหาจิตท้อถอยจิตถดถอยจะมีความรู้สึกนะความรู้สึกเบื่อหน่ายต่ออารมณ์ความรู้สึกที่เบื่อหน่ายเนี่ยเขาเรียกว่าสงสัยว่าทีน้มิทะให้กําหนด ให้กำหนดทีนมิทะเกิดก็กำหนดทีนมิทะอ <สบ sayin'> ทีนมิทะเราจะไปกำหนดได้ยังไงก็ง่วงนอนจะไปกำหนดได้ยังไงมันง่วงนอนเนี่ยมันไม่รับรู้อะไรแล้วจะไปกำหนดได้ยังไงพอเรามาดนูนะที่ท่านขยายบอกว่าเอเอเวลาง่วงนอนเนี่ยหรือเวลาหิดหดโผลเนี่ยมันมีสภาพความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกเบื่อแล้วเราไปเังเขตก็มีจริงๆนะตอนที่เราง่วงนอนเนี่ยไปดูมันจะมีความรู้สึกเบื่อสภาพความรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายต่อการรับรู้ ไม่ต้องการจะรับรู้ไม่ต้องการจะเห็นไม่ต้องการได้ยินไม่ต้องการได้กลิ่นไม่ต้องการลิ้มรสไอ้ความรู้สึกไม่ต้องการเนี่ยแล้วภาวะมันก็ออกมาในลักษณะทําให้กายอุดาดภาวะออกมาทําให้การบิดกายเห็นไหมเราจะลุกขึ้นมาจากที่นอนเราบิดแล้วบิดอีกเนี่ยดูความรู้สึกนะให้ดูความรู้สึกถ้าสภาพแบบนั้นเกิดขึ้นมาจับความรู้สึกดูความรู้สึกให้ดูความรู้สึกไวปจะทำให้ทีน่มิทธะเนี่ยทาให้ทีน่ามิทธะเนี่ยหมดไป ใสใจถ้าใส่ใจในในทีนามิทะทันทีนามิทะ ก, ก็จะหมดไปท่านบอกว่าการละทีนามิทะเนี่ยละได้ด้วยการกระทําไว้โดยกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันแยบขายการใส่ใจถึงทีนามิทะนั่นนั่นเองใส่ใจถูกทีนามิทะใส่ใจถึงตัวทีนามิทะในการใส่ใจเนี่ยต้องใส่ใจด้วยสติสมปัญญา ถ้าใส่ใจเห็นทีนมิถะแล้วก็เห็นภาวะของทีนมิถะเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกลับไปเนะ่ยความรู้สึกเ่ยความรู้สึกเบื่อหน่ายเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าปัญญาปัญญาเกิด่ะเมื่อมีการใส่ใจมันทําให้จิตเนี่ยไปจิตปราลบจิตดมริจิตรับรู้ไอ้ตัวทีน่านี่มันทําให้จิตถอยจิตไม่ไปอะจิตถอยออกมาถอยไม่ยอมไปรับรู้มีสิ่งนี้อยู่แต่จิตไม่ไปอ่ะจิต จิตจะไปรับรู้เนี่ยไม่ไปจิตถอยออกถอยออกถอยออกแต่การใส่ใจการกระทําไว้ในใจโดยอุบายแยบคายเนี่ยเป็นการส่งจิตไปถึงเป็นการทําให้จิตไปนั่นการปรารบต้องอาศัยการปรารบความเพียรใช่ไหมจะต่อสู้กับทีนามิธะต้องปรารบความเพียรต้องกระทําความเพียรคือพยายามพยายามระลึกพยายามรู้สึกเบื้องต้นก็ระลึกถึงตัวทีนามิธะเลยคือตัวอรติ ตัวรู้สึกเบื่อหน่ายตัวรู้สึกละอาตัวรู้สึกอืดอัดตัวนั้นเน่ะเข้าไปดำริถึงเข้าไปปรารบถึงตอนเราเข้าไปดำริถึงเข้าไปปรารบถึงเนี่ยก็ทําทให้ให้จิตของเราตื่นชื่อเรียกว่าโยนิโสมนสิการ์แล้วก็ให้เราปรารบความเพียรชื้อเรียกว่าอารัพภาธาตุนะความเพียรเริ่มแรกแล้วก็ความเพียรที่มีกําลังมากขึ้นนะต้องอาศัยความเพียรที่มีกําลังมากขึ้นจึงจะสามารถ ไล่ความเกียดคร้านนั้นออกไปจากจิตได้แต่ความเพียรของเราไม่แก่กล้าเนี่ยเราก็จะพ่ายแพ้ต่อทีณามิทธะถีณามิทะก็จะครอบนาจิตเราคือละถีณามิทธะด้วยโยนิสมานสิการนะละถีณามิทะด้วยการปรารบความเพียรปรารบความเพียรอาศัยความเพียรที่มีกําลังมากนะเพียรระลึกเพียรรู้สึกในปัจจุบันธรรม แล้วทีนัมิธาก็จะหมดไปยังมีอุดทัจจะผูกกดจะนะอุดทัตจะผูกกดจะธรรมะอันเป็นเครื่องเครื่องละทีนัมิธาเนี่ยท่านแสดงหกประการเหมือนกันนะหกประการหกประการก็คือการถือเอานิมิตในการบริโภคมากเกินไปนะเป็นบอกว่าการทีนัมิธาด้วยสภาพธรรมธรรมะหกประการเนี่ยคือการเอานิมิตในการบริโภคมากเกินไป การผัดเปลี่ยนอิริยาบถการมนุษการถึงอารมกรสัญญานะการอยู่ในที่กลางแจ้งความเป็นผู้มีกรลยาณมิตรสนทนาถึงเรื่องที่เป็นสัพพายะทีนี้การการเอานิมิตในการบริโภคมากเกินไปก็คือการการเข้าไปกระทำความเข้าใจในการบริโภคอาหารคือเราจะละ งดบริโภคอาหารเมื่อเหลืออีกประมาณ 4-5 คำรู้ตัว่าอันนี้จะมาเกี่ยวข้องตลอดนะการทานอาหารมากเกินไปจะเกี่ยวข้องตลอดเลยเพราะการทานอาหารมากมันทําให้เกิดอาการเกลียดคลานทําให้เกิดอาการหง่วงเหงาเหาวนอนให้การทานอาหารมากเกินไปเนี่ยทําให้เกิดอาการง่วงเหงาเหาวนอนก็เข้าไปคือเอานิมิตว่าอีกประมาณ 4-5 คำข้าวเราจะงดงดบริโภคอาหาร ถัดเปลี่ยนอิริยาบถไงเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเราเราง่วงในอิริยาบถนั่งเราอย่านั่งนะอย่านั่งลุกจากที่นั่งทางง่วงในอิริยาบถนอนก็อย่านอนถ้าง่วงในอิริยาบถเดินจะทําไงอ่ะจะทําแบบไหนดีมีไม่ง่วงในอิริยาบถเดินเนี่ยมีไม่รู้จะทํำไรดีนะแต่สับเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยๆสับเปลี sal ่ยนอิริยาบถจากเดินเป็นยืนจากยืนเป็นนั่งแล้วก็อุบายละความง่วงที่พิมพ์แจกไปนะมองไปไกลๆยังได้ผลอยู่นะืจะมาให้มองไป มองไปข้างหน้าไกลๆเห็นก้อนเมฆแล้วก็จินตนาการไปด้วยเป็นอะไรอะไรนะไปะกินจินตนาการไปใจมันจะตื่นนะใจของเราี่จะตื่นทาํทาทําให้ใจของเราตื่นาการการมองไปไกลๆทําให้ให้ใจของเราตื่นแล้วก็อยู่ในที่แจ้งๆนะอยู่ในที่อับๆมืดๆทาให้ง่วงนอนอยู่ในที่กลางแจ้งทําให้ไม่ง่วงนอนนึกถึงแสงสว่างทําใจให้สว่างนึกถึงแสงสว่างมีกาลยานะมิตรกจบุคคลที่แนะนํา ให้เราปราลบความเพียนจะทําให้ไม่ง่วงเหงาห้าวนอนแล้วก็สนทนาเรื่องสัตยาะก็สนทนาในเรื่องการที่จะทําให้ทีนามิท้าหมดไปสนทนากันถึงเรื่องนี้อันนี้เป็นที่วาระธรรมนะก็คงจะหยิบยกมาบรรยายในข้อจําเป็นจําเป็นแค่นี้พอจริงแล้วเรื่องธรรมานุ ป, ปัฒนาเนี่ยเป็นสิ่งที่บรรยายยากนะฟังยากเวลาบรรยายก็บรรยายไม่ค่อยถึงตรงนี้นะ บรรยายไปแล้วคนที่จะฟังก็ฟังยากแล้วผู้บรรยายเองก็ยากเลยเพอถึงธรรมาเวลาใดเนี่ยมันจะหมดเวลาทุกทีเวลาจัดอบรมแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยจะไปหมดเวลาตอนถึงธรรมา <c oughs> ไม่ค่อยถึงธรรมามาพยายามตั้งใจจะบรรยายเรื่องธรรมาเนี่ยให้จบให้บริบูรณ์เนี่ยแต่ก็ไม่ค่อยบริบูรณ์บรรยายว่าบริบูรณ์สองครั้งนะบรรยายที่บรรยายติดต่อกันหลายหลายวั น, นบรรยายบริบูรณ์ที่ธรรมะวิจัยครั้งเนี่ย แล้วก็บรรยายที่โยบุธิาานคัสมาคมก็ไม่ไม่ค่อยบอริบูรณ์เหมือนกันนะสาเหตุมันฟังยากแล้วคนมาฟังตรงนี้แล้วก็จะถอยกันหมดนะแต่ถ้าพวกเราเนี่ยจะจะสู้ได้เพราะเราตั้งใจจริงสู้ได้ฟังได้ฉนะนั้นก็ไปเปิ ด, ปดนในสติปัฏฐานในหมดธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานนะั้นท่านแสดงารายละเอียดมีอัตลกถาแจ้ไว้นะที่สมาเนี่ยเมาจากสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนานี่ไปไปเปิดดู ท่านสรุปท้ายว่าในบรรดากรรมไมฉันทะพยาปาทะผีนามิธาอุทธจักุกุจจาวิจิเกช า, ชานี่ยสภาพของนิวรธรรมเนี่ยมีอยู่ภายในจิตของเราเวลาใดให้กําหนดรู้แล้วก็ไม่มีอยู่ในจิตเวลาใดก็ให้รู้ด้วยคือเมื่อมีเขาก็หมดได้ขณะมีคือเขาเขาเขาเขาเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยให้เรารู้ แล้วอยู่ต่อมาเขาหมดไปจากใจเราก็ให้รู้ด้วยท่านต้องการให้เรากำหนดรู้วิธีการกาหนดน่คือเมื่อมีธีนมิทภะเกิดขึ้นมาเวลาใดกำหนดรู้เขาหมดไปก็ให้กําหนดรู้ว่าเขาหมดไปแล้วก็ให้เราเข้าไปไปกําหนดรู้ว่าสภาพของการมชันทะทยาปาทะธีนมิทภะอุทธจักกุกุจจาวิจิกิจานิวรรเ่นเนี่ยเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรไปกําหนดว่าเขาเกิดขึ้นได้อย่างไร การมาฉันทะที่ย <Morris unc re udes> OK. ังไม่เกิดเกิดได้อย่างไรนะแล้วก็การมาฉันทะเราจะละได้อย่างไรให้ไปกำหนดรู้นะก็การมาฉันทะเกิดได้อย่างไรเกิดจากการดำริดำริถึงสิ่งที่น่ารักดำริถึงสุภาพนิมิตจะละได้อย่างไรอ่ะละได้ด้วยการไม่ดำริถึงเราจะละได้ด้วยการไม่ดำริถึงสุภาพนิมิตพอเราไม่ดาริถึงการมฉันทะก็จะไม่เกิด แล้วต่อจากนั้นก็เจริญอสุภภาวนาก็จะทําให้การมชันทะละไปเนี่ยกรรมชันทะเนี่ยจะหมดไปจากกิดได้ด้วยวิธีการอย่างไรเราก็กําหนดรู้นะเกิดขึ้นอย่างไรกําหนดรู้เราดํามรีถึงอะไรแล้วเขาเกิดเนี่ยเราต้องรู้นะว่าเราคิดถึงอย่างไรเขาจึงเกิดเราต้องรู้นะดูของจริงในใจแออเออความรู้สึกชอบใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยแล้วก็ความรู้สึกชอบใจมันจะหมดไปได้อย่างไรต้องไปสังเกตต่องสังเกต การเข้าไปดําลิในลักษณะน่ารักน่าพอใจเนี่ยเราลองดําลิเลยเห็นใครสักคนหนึ่งแล้วไปดําลิถึงความอ่อนช้อยความน่ารักความน่าพอใจความนุ่มนวลอะไรต่างๆเนี่ยลองดําลิอย่างนี้ดูนะแล้วก็จะเกิดความมัน่นฉะพอใจทีละนิดทีละนิดทีลนิดท่านองการไทยเรารู้เนี่ยดําลิอย่างนี้กวามมัฉันทะเกิดต้องดําลิใหม่ดําลิเป็นไปในในลักษณะคือดําลิตรงตามความเป็นจริงเนี่ย ถ้าไปดมดิตามความเป็นจริงคือให้มองเห็นว่าไม่งามนะไม่งามพอมองเห็นไม่งามจิตก็คลายออกคลายออกคลายออกไม่ใช่เราไปทึกทักว่าไม่งามไม่งามจริงๆริงนะไม่งามจริงๆต้องให้ดูว่าไม่งามจริงๆให้เห็นเป็นของจริงรูปร่างกายของบุคคลไม่งามแต่เราเข้าไปสําคัญมั่นหมายว่างามพอเราเข้าไปสําคัญมั่นหมายว่างามเราก็เลยเกิดเกิดความรู้สึกพอใจ กิดความรู้สึกยินดีหลงหลายข้างใครในรูปของบุคคลแต่จริงๆแล้วเรื่องของรูปนั้นเป็นเป็นของไม่งามพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เรามองชัดนะ่ะมองชัดเจนลงไปในรูปร่างกายอันนี้รูปร่างกายอันนี้ถ้าเรามองแบบผิวเผินเนี่ยเราก็จะเข้าไปสำคัญมั่นหมายว่างามแต่ถ้าเรามองโดยการพิจารณาให้ให้ละเอียดมองโดยการใส่ใจให้ลึกซึ้งเนี่ย เราก็จะเห็นตามท่านที่ท่านแสดงไว้ว่าไม่งามที่เรามองเห็นว่างามเนี่ยเพราะมีการปกปิดเอาไว้มีการปกปิดด้วยเสื้อผ้าที่เอาสวมใส่แล้วก็มีการปกปิดด้วยจิ้งรูปกใยนะเลยเครื่องประดับประดาบตกแต่งก็เลยทําให้รูปร่างกายของเราเนี่ยสวยสดงดงามแต่ตามความเป็นจริงถึงจะปกปิดอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ของไม่งามก็คงเป็นของไม่งามเนี่ย พันว่าให้เราใส่ใจด้วยการพิจารณาเราจะเห็นสิ่งที่ไม่งามเนี่ยไหลออกมาจากกายนี่เรามาดูนะว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในกายเนี่ยไม่ว่าจะไหลออกมาทางไหนก็เป็นของปฏิกูลหมดไหลออกมาทางปากก็ปฏิกูลทางปากไหลออกมาทางจมูกก็ปฏิกูลทางจมูกไหลออกมาทางทางตาก็ปฏิกูลทางตา ไหลออกมาจากทวารหนักก็ปฏิกูลทางทวารหนักไหลออกมาจากทวารเบาก็ปฏิกูลทางทวารเบาเป็นของปฏิกูลเป็นของศกปรกนั้นนั่นเองคือเป็นของที่น่าเกลียดแม้แต่ตัวของเราเองเนี่ยไหลออกมาจากตัวของเราเองเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะไปแตะต้องเอามือของเราไปแตะต้องเนี่ยเราก็ไม่ไม่อยากที่จะเข้าไปแตะต้องเราไม่อยากจะมองไม่อยากจะดูนะ สิ่งปฏิกูลที่ไหลออกมาจากร่างกายของเราเนี่ยทั น, นี้เมื่อไหลออกมาจากร่างกายเขาก็ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปของที่ไหลออกมาจากากายของเราเองเราก็ไม่อยากจะดมอเองมันไงอันนี้ก็แสดงว่าเป็นเป็นของปฏิกูลเมื่อเราไม่ได้มองกันให้ลึกซึ้งในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็เลยสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของของงามเป็นบงสิ่งปกปิดมอง เ, ออเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ปกปิด แล้วก็เครื่องประเทึงผิวที่ตาปล้ายปกปิดเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเป็นของงามแล้วเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะตัวของเราเองเนี่ยพอเราจะมีความรู้สึกว่าตัวของเราเนี่ยงามมีความรู้สึกว่าสวยงามพอเราตกแต่งร่างกายแล้วเราก็ส่องกระจกดูเนี่ยพอเราไปส่องกระจกดูแล้วเราก็บิดดูข้างซ้ายบิดดูข้างขวามองไปแล้วเราก็ยิ้มออกมานิดๆว่าเออ ร่างกายของเราก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยบางทีเราได้ชุดมาใหม่เนี่ยเราแต่งแล้วเราก็ไปส่องกระจกดูเนี่ยเราก็เกิดความภูมิใจแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองด้วยการพิจารณาจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นสิ่งต่างๆที่หลังไหลออกมาจากกายร่างกายนี้เพียงไม่อาบน้ำวันเดียวเท่านั้นนใครก็ไม่อย่างนั่งใกล้ๆเราแม้แต่ตัวเราเองก็เกิดความรู้สึกลาคาญ ลำคาญตัวของเราเองเนี่ยลองเราไม่อาบน้ําสักหนึ่งวันน่ะเ้าก็ลาคาญแล้วจะตำเหนียวตัวเนอะน่ะแล้วก็เกิดกลิ่นเหม็นคลุ้งไปอันนี้ก็เป็นเป็นการแสดงให้เห็นว่ากายกายของบุคคลเราเนี่ยไม่งามเราจะต้องมองมองด้วยการพิจารณารูปร่างกายเป็นของไม่งามนะแต่เราไปสําคัญมั่นหมายว่างามเนี่ย การเข้าไปสำคัญมั่นหมายในลักษณะนี้เนี่ยท่านเรียกว่าเห็นคาดเคลื่อนจากความจริงแล้วการการเห็นคาดเคลื่อนจากความจริงเนี่ยท่านเรียกว่าอาโยนิสมนานักกิการเป็นการใส่ใจผิดเป็นการกระทาไว้ในใจผิดๆนะการกระทาไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แยบคลายจึงมองไม่เห็นของจริงๆมองไม่เห็นสภาพจริงๆที่เขาปรากฏ แต่ถ้าเรามองด้วยการพิจารณาเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่ากายอันนี้เป็นเป็นสิ่งศักปรกเป็นสิ่งปฏิคูลเนี่ยถ้าไปมองเห็นในลักษณะอย่างนี้วามความเป็นจริงเวลาใดเนี่ยท่านเรียกว่าโยนิโสมนัสิการเป็นการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยกายและกัสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยเราก็มองเห็นว่าเป็นของเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์เราก็ไปมองเห็นว่าเป็นสุขเนี่ย สิ่งที่เป็นอนัตตาไปมองเห็นว่าเป็นอาตาัตกาการเข้าไปมองเห็นคาดเคลื่อนในในลักษณะสี่ประการของไม่งามว่างามของไม่เที่ยงว่าเที่ยงของเป็นทุกว่าเป็นสุขแล้วก็สิงคิดเป็นอนัตตาว่าเป็นอากาเนี่ยท่านเรียกว่าอะโยนิสมนานัสิการท่านเรียกว่าการกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แยกขาย แค ใ, ในบรรดาอาคุณทรทั้งหมดนะจะเป็นอกุณทรอะไรก็ตามเนี่ยเราไปดูส ม, มุทฐานการเกิดแล้วเกิดมาจากสิ่งสี่สิ่งนี้ทั้งนั้นเละคือการเข้าไปกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แ ย, ยบคายนะเป็นการใส่ใจผิดเนี่ยอกุณทรัพยเกิดขึ้นจากการใส่ใจผิดพาเราใส่ใจถูกอกุศทรก็จะไม่เกิดขึ้นกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นในบรรดานิวัลธรรมทั้งหมดก็เหมือนกันเนย<ะ>อาหารให้กับจามะฉันทะ คือเราไม่ไปกระทําความรู้สึกว่างานไปไปกระทําความรู้สึกว่าดีการมสันทละก็จะไม่เกิดขึ้นตรงนี้ท่านชาคาโลเคยปลาลบไว้นะท่านท่านเทพดีมากนะเป็นพระฝรั่งท่านบอกว่าอาการจะขจัดกิเลสเนี่ยจริงๆกิเลสเนี่ยกาจัดไม่ยากเหมือนกับการจัดฆ่าเสือท่านว่าการจะดฆ่าเสือเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปไปออกแรงฆ่าเสือ แต่เพียงเราไม่ให้อาหารเสือนะเสือมันก็จะหิวแล้วมันก็จะตายไปเองกิเลสก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ให้อาหารแก่กิเลสเนี่ยกิเลสมันก็จะตายไปเองมันเหมือนกันแต่ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเราหยิบยื่นอาหารให้กับกิเลสเลอดหยิบยื่นอาหารให้กัมกันละด้วยการเข้าไปสําคัญมั่นหมายในสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องว่างาวอนอาหารให้กับกิเลสนี่ยเป็นอาหารของกันเหมือนกะ ทำให้การมฉันทะนั้นเจริญงอกงามยิ่งขึ้นตามลําดับคราวนี้การมฉันทะเนี่ยจ ะ, จะหมดไปได้อย่างไรการฉันทะจะหมดไปด้วยสภาพธรรมหกประการในเบื้องต้นเนี่ยการมฉันทะจะหมดไปด้วยการกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายคราวนี้การกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันเยบคายก็คือใส่ใจตามความเป็นจริงไม่งามก็เห็นว่าไม่งามเลยไม่เที่ยงก็เห็นว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ก็มองเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นอนัตตก็มองเห็นว่าเป็นอนัตตาครดิทําอย่างไรจึงจะไปเห็นในลักษณะอย่างนั้นก็จะต้องอาศัยการเจริญสติและอบรมปัญญาขาดการเจริญสติขาดการอบรมปัญญาแล้วเนี่ยไอ้การจะไปเห็นอย่างนั้นจะไม่มีโอกาสได้เห็นในลักษณะอย่างนั้นเราก็จะเห็นคาดเคลื่อนอยู่ตลอดก็สิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยเราเห็นในลักษณะมีอยู่สิ่งที่เราได้ยินเราก็ได้ยินในลักษณะมีอยู่ เราไม่เคยไปมองเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยหมดไปหมดไปเนี่ยสิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นทนดูไม่ได้สิ่งนั้นหมดไปโดยการเข้าไปเห็นเป็นไตรลักษ์การเข้าไปเห็นเป็นไตรลักษ์เนี่ยจะขยัดความรู้สึกยินดีและยินร้ายออกจากจิตได้เป็นการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานที่เราพ า, ก, ากันเจริญอยู่นี้นี่แหละเป็นอาหารของปัญญานะี่ยเรียกว่าเป็นอาหารของปัญญา ทำให้ปัญญาเกิดปัญญาที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญงอกงามไพ่โบนยิ่งขึ้นด้วยการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายในอารมณ์ในสภาพธรรมที่ปรากฏสภาพธรรมที่ปรากฏที่เป็นของไม่งามเราก็เข้าไปสำคัญมั่นหมายมองเห็นว่าไม่งามจริงๆมองเห็นด้วยการพิจารณาเนี่ยแล้วก็ไม่เที่ยงเราก็เห็นว่าเขาไม่เที่ยงจริงๆ เขาคงทนไม่ได้ก็มองเห็นภาวะ ข, ของเขาว่าเขาทนอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วก็วันสุดท้ายเขาแตกบัดไปเป็นอนัตตาเราก็มองเห็นว่าเขาเป็นอนัตตาปราศจากตัวตนจร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ิงๆพอเราไปเห็นในลักษณะอย่างนี้แล้วเรียกว่าปัญญาเกิดพอปัญญาเกิดเนี่ยจิตของเราก็จะเกิดการวางเฉยพอจิตวางเฉยแล้วความเมตตาก็จะไม่เกิดขึ้นความเมตตาความยินดีพอใจในรูปความยินดีพอใจในเสียงความยินดีพอใจในกลิ่น ความวินดีปาจัยในรถในโพธิพุทะก็จะไม่ไม่เกิดขึ้นเพราะการใส่ใจถูกาี น, นี้ยังมีอุบายวิธีอย่างอื่นอีกนะที่จะละกามมชันทะการละกามะชันทะเนี่ยท่านบอกว่าธรรมะหกประการนะ่าจะเป็นเครื่องระกามะชันทะธรรมะหกประการมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งท่านให้เราศึกษาเล่าเรียนเรื่องอสุภมิมิต ทำความเข้าใจในในอสุภนิมิตคําว่าอาสุภนิมิตก็คือเครื่องหมายที่เป็นของไม่งามคือเข้าไปทําความเข้าใจในรูปร่างกายของบุคคลเราเนี่ยว่าไม่งามไม่งามที่ไหนบ้างไม่งามที่มีการลังไหลออกมาเนี่ยเราทําความเข้าใจเนี่ยศึกษาเล่าเรียนทําความเข้าใจในในเรื่องเกี่ยวกับอสุภเรื่องของปฏิโจร พอเราทำความเข้าใจแล้วต่อจากนั้นเราก็บําเพ็ญภาวนาเรียกว่าเจริญภาวนาเจริญภาวนาก็คือทําความรู้สึกในลักษณะว่าไม่งามให้เกิดขึ้นในใจพยายามทําความรู้สึกให้เกิดขึ้นในใจเนี่ยเรามองเห็นรูปร่างกายก็เห็นเห็นไม่งามจริงๆ เบื้องต้นเนี่ยโดยอาศัยการพิจารณากายของตอนเองเราอย่าพึ่งไปพิจารากายของคนอื่นนะดูดูกายของตัวเราเองไปดูกายของคนอื่นเนี่ยยังทําให้เกิดการคาดเคลื่อนเข้าใจผิดได้แต่มาดูกายของตัวเราเองเนี่ยดูด้วยการพิจารณาตื่นนอนขึ้นมาเราก็ดูน้ํำลายไหลออกจากปากก็มองดูแล้วไม่น่าอภิลมนะเป็นของน่าเกลียดเป็นของปฏิโกล ที่ตาไหลออกจากตาเนี่ยเป็นของน่าเกลียดของตัวเราเองเรายังไม่อยากดูเลยนะที่มันไหลออกมาเป็นก้อนๆเนี่ยไม่ไม่อยากดูอะ่ะแต่เราในเวลารับประทานอาหารเรามองเห็นเนี่ยบางทีรับประทานอาหารไม่ลงอเนีย่ยก็ทํความรู้สึกอะ่ะให้รู้สึกว่ามันไม่งามจริงๆไหลออกมาทางจมูกก็ไม่งามเนยให้มองเห็นภายในตัวเราเนี่ยมองเห็นเป็นของปฏิกูลอยู่ตรงไหนก็ปฏิกูลหมด ยิมงมาเข้าไปในภายในแล้วไม่มีอะไรเลยนะในภายในเนะี่ยมีแต่ของปฏิกูลอาหารที่เราบริโภคเข้าไปหมักหมมกันนานๆก็เป็นของปฏิกูลพอปฏิกูลอยู่ในภายในนั้นเนี่ยสักระยะหนึ่งเขาก็แสดงปฏิกูลออกมาข้างนอกโดยการลังไหลออกมาลังไหลออกมาตามขุมขนที่ลังไหลออกมาตามขุมขนเนี่ยก็จะส่งกลิ่นเหมน็นะ เราก็จะเห็นว่าเหงื่อของเราเนี่ยเหม็นอตอนเหงื่อออกเนี่ยเหม็ น, นแล้วก็เขาจะแสดงออกมาให้เราเห็นด้วยการหายลมออกมาเนี่ยก็จะส่งกลิ่นเหม็นทําไมจึงเหม็นนะเพราะภายในนั้นเหม็นภายในร่างกายของเราเนี่ยมีแต่สิ่งเหม็นเหม็นทั้งนั้น ไม่ต้องมากกาในปากของเราเนี่ยเราทานอาหารแล้วเราแปลงปันไม่สะอาดตื่นเช้าขึ้นมาในปากของเราก็มีแต่สิ่งเหม็นๆคือมองให้เห็นมองให้เห็นเรียกว่าการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาก็คือทําความรู้สึกปฏิกูลให้เกิดขึ้นในใจจริงๆเนี่ยมาทําความรู้สึกปฏิกูลให้เกิดขึ้นในใจจริงๆเรียกว่าเป็นการเจริญอสุภภาวนาเป็นการกําหนดเป็นการทําความรู้สึก ว่าเป็นเป็นของปฏิโกณนะเป็นของหน่าเกลียดแล้วก็ให้เป็นผู้สำรวมเป็นผู้สังวรเป็นผู้ระมัดระวังในในเทวานมันบอกว่าเป็นผู้คุ้มครองเทวานไว้คือเป็นผู้สำรวมอินทรีย์นั่นเองสำรวมอินทรีย์ระวังระวังทางตาระวังทางหูระวังทางจมกูกระวังทางลิ้นระวังทางกาย แล้วก็ระวังใจระวังอย่างไรอ่ะคือตาต้องสํารวมนะสํารวมทางตาปกติเราเห็นว่างามเพราะเอาตาไปดูตาของเราจะไปดูพอไปดูแล้วก็กระทํากระทําไว้ในใจผิียดนะเรารู้ว่าเสียงเพราะพระเอาหูไปฟังแล้วก็พอาจมูกไปดมกลิ่นจึงรู้ว่ากลิ่นหอมเอาลิ้นไปลิ้มรสจึงรู้ว่ารสอร่อยนะ ท่านให้เราสำรวมสังวรระมัดระวังระวังทางตาระวังทางหูระวังทางจมูกระวังทางลิ้นระวังทางกายระวังใจระวังอย่างไรระวังไม่ให้เกิดความรู้สึกนะเกิดความรู้สึกจริงๆแล้วไม่ให้เกิดความรู้สึกสองประการความรู้สึกสองประการก็คือความรู้สึกชอบใจและไม่ชอบใจ ความรู้สึกชอบใจเป็นไปให้เกิดาการาคะความรู้สึกไม่ชอบใจเป็นไปให้เกิดปฏิฆะคือโทษะท่านให้เราเนี่ยระวังระวังสำรวมอินทรีย์ไม่ให้เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายถ้าเราสำรวมสังวรระวังความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจก็จะไม่เกิดขึ้นทีนี้การระวังเนี่ยเราจะระวังอย่างไรอ่ะจะไประวังโดยการบอกก็ไม่ได้นะเห็นแล้วเราก็จะไปบอกไม่งามนะไม่งามนะไม่งามนะอย่าดูแบบนี้ก็ไม่ถูก คำว่าระวังในที่นี้ต้องระวังด้วยสติระสมปชัญญะอาศัยสติระสมปัญญะเนี่ยเข้าไประลึกให้เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงพอเข้าไประลึกเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้วชื่อว่าเป็นการสัมรวมเป็นการสังวรเป็นการระมัดระวังเห็นสักแต่ว่าเห็นนั่นเองได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นริมรสสักแต่ว่าเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับไป พอเรารู้ถ้าชันเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับไปชื่อว่าเป็นการสำรวมสังบอ่อนระมัดระวังูลส ก, กินดีร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นราคะไม่เกิดโทษสัไม่เกิดนะจะไม่เกิดขึ้นมาจากการสำรวมสังบอนระมัดระวังเนี่ยการเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะเป็นเหตุให้ละการรมฉันทะ เพราะว่าการบริโภคอาหารมากเกินไปจะทําให้เราไม่แจ่มชัดนะในสภาพของอารมณ์จะทําให้เราเข้าไปกําหนดอารมณ์ไม่แจ่มชัดทําให้โยนิโสมนสิการไม่เกิดขึ้นเมื่อเราบริโภคอาหารมากเกินไปก็จะทําให้เกิดการเมาอาหารเมาอาหารก็จะทําให้เกิดการหลับไหลทําให้ชีนมิภาเนี่ยม า, มาเยือนละ่ะนั้นท่านก็บอกว่าวิธีการบริโภคอาหารนั้นน่ะ เหลืออีกประมาณห้าคำหรือหกคำจะอิ่มผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราบริโภคอาหารอยู่เนี่ยเหลืออีกประมาณห้าคำจะอิ่มหรือหกคำอิ่มเราก็หยุดทันทีหยุดบริโภคอาหารพอหยุดบริโภคอาหารแล้วดื่มน้ําลงไปก็จะพอดีพอดีใช่ไหมหือร่างกายเนี่ยจะพอดีพอดีแต่เราทานอาหารเยอะๆอิ่มดื่มน้ําลงไปก็แน่นพอแน่นแล้วทําไมก็เกิอดอาการมึนมึนเมา ไปเดินจงกลมก็มึนงงนั่งสมาธิก็งอกง่วงก็เลยทำให้เราหลับหลับก็ปราบลดความเพียรไม่ได้ไปราบลดความเพียรไม่ได้จิตก็ตกอยู่ภายใต้ของอำนาจของอากูลธรรมท่านจึงให้เรารู้จักประมาณในในในโพชนะภาษาท่านใช้คำว่าโพชนมัตตัญุตานะรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารประการต่อไปก็คือ พบหากกัลยาณมิตรสมาคมกับกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือบุคคลที่เป็นผู้แนะนําเราให้เรารักการเจริญสติรักการอ บ, บรมปัญญาเนี่ยกัลยาณมิตรที่จะแนะนําให้เราเข้าใจในเรื่องอสุภกรรมฐานอาสุภาภาวนาสนทนากันในเรื่องสัพปายะการสนทนาแล้วทําให้เกิดการมจันทะก็ได้ การสนทนากันคุยกันแล้วทําให้คลายออกจากกามมันันทะก็ได้การญาณมิตรนั้นจะเป็นผู้นะ่ะชักนําสนทนาเราให้เราคลายออกจากกามมันันทะคลายออกจากความกําหนัดคลายออกจากความยินดีคลายออกจากรรคว า, ออารรมพอใจเวลาสนทนากันก็สนทนากันแต่เรื่องอสุภภ า, าวนาสนทนากันถึงเรื่องสภาพของอารมณ์ที่เป็นของไม่งามเนี่ย กามมฉันทะความกำนัดก็จะไม่เกิดขึ้นในจิตเราอันนี้เป็นอุบายที่จะละกามมัฉันทะกามมจฉันทะที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดพระธรรมมประการนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเบาบางลงไปในหัวข้อของพระยาปาทะได้แก่ตัวโทสะโทสาเกิดจากอะไรโทสะเนี่ย โทษะเนี่ยเกิดเกิดจากความสำคัญมั่นหมายนะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีท่านใช้คำว่าปาติคะะปติคานิมิตการเข้าไปสำคัญมั่นหมายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโปรดทัปทะที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสแล้วก็ถูกตั้งเนี่ยเราไปกระทาความรู้สึกว่าไม่ดีรูป ก, ก็ไม่ เข้าไปสาคัญมั่นหมายว่าไม่ดีเสียงก็ไม่ดีกลิ่นไม่ดีรสไม่ดีสัมผัสไม่ดีเพราะเข้าไปสาคัญมั่นหมายในลักษณะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีความขัดใจก็จะบางเกิดขึ้นมองเห็นแล้วเราก็เข้าไปทำความรู้สึกว่าไม่สวยนะมองเห็นว่าไม่ดีได้ยินเสียงเราก็เข้าไปจะทำความรู้สึกว่าเป็นเสียงด่าอเงี้ยเสียงด่า เสียงเสียบสีฮะเสียงเปรียบเปลยเสียงที่เขากล่าวมาให้เราได้ยินเนี่ยเราเข้าไปทําความรู้สึกว่าเขาด่าเราเนี่ยเขาด่าเราเขาใส่ร้ายเราเขาพูดจาเสียบสีเราเราก็เกิดความรู้สึกรู้สึกขัดใจขึ้นมาแหละอันนีกว่าเข้าไปสําคัญมั่นหมายในปฏิฆขนิมิตนิมิตทําให้เกิดความขัดใจเกิดความรู้สึกขัดใจขึ้นมาแล้วก็ในกลิ่น เราไปทำความรู้สึกว่ากลิ่นกลิ่นเหม็นรสไม่อร่อยอาหารไม่อร่อยบางทียังไม่ต้องบริโภคเรามองเห็นแล้วไม่อร่อยอาหารเนี่ยเรามองเห็นแล้วเราก็บอกไม่อร่อยอะไม่ได้เรื่องนะแต่สําคัญมันหมายว่าไม่ได้เรื่องคนปรุงก็ไม่ได้เรื่องอาหารก็ไม่ได้เรื่องนะมองดูแล้วก็เลยไม่เกิดความรู้สึกขัดใจขึ้นมาแล้วปฏิฆะเกิดขึ้นความรู้สึกขัดใจเกิดขึ้นโดทัพพระก็เหมือนกันเนี่ยจริงแล้วความรู้สึกของเราเนี่ยสําคัญนะ อาการหนาวแล้วเราก็ไปรู้สึกว่าหนาวเหลือเกินก็จะทำให้เกิดอาการตัวสั่นอากาศร้อนเราก็บอกว่าร้อนเหลือเกินเนี่ยก็จะทำให้จิตใจร้อนลุ่มแต่ถ้าเราไม่ไปสําคัญว่าหนาวเหลือเกินหรือร้อนเหลือเกินเนี่ยอาการหงุดหงิดอาการ ร, าร้อนรุ่มวามรู้สึกขัดใจก็จะไม่เกิดเพียงแต่ไปทำความ ร, รู้สึกในสภาพร้อนนะไอ้ที่เราไปทาความรู้สึกในสภาพร้อนเนี่ยใจอยู่กับตัวเอง พอร้อนมากระทบกายใจรู้กายที่กระทบร้อนแต่ไปสําคัญมั่นหมายในลักษณะว่าร้อนเหลือเกินใจออกไปข้างนอกใจเนี่ยออกนอกตัวแล้วก็ไปแปรรูว่าแดดร้อนอากาศร้อนหรือส่งจิตออกไปข้างนอกบอกว่าอากาศหนาวก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีแล้วก็รู้สึกอาคารหงุดหงิด เกิดความขัดใจไม่พอใจในสภาพของดินฟ้าอากาศแต่ถ้าใจอยู่กับกายที่สัมผัสหนาวสัมผัสร้อนเนี่ยใจจะไม่รู้สึกหดเหดเยีดไงบางทีเรานั่งในท่ามกลางแสงแดดแต่ไม่ร้อนบางทีเรานั่งอยู่ในท่ามกลางหรือบนหิมะแต่ความรู้สึกหนาวไม่มีพวกนักรลดไงพวกนักรดพวกดาบดเขาไปฝึกโยคะ รักษาโยค่าเนี่ยเไปนั่งบนก้อนก้อนน้ำแข็งนะก้อนน้ําแข็งเนี่ยแต่นั่งบนก้อนน้ําแข็งแต่ความรู้สึกหนาวเย็นของเขาไม่มีไม่มีความรู้สึกหนาวเย็นเพราะผ่านการฝึกทําให้ร่างกายอบอุ่นมาดี น, นะแล้วก็เกี่ยวกับการทําความรู้สึกเนี่ยเป็นการจะทําความรู้สึกจึงทําให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นได้ อาการร้อนๆเนี่ยลองลองไปฝึกนะฝึกประมาเคยเคยทดลองตรเนี้เคยทดลองในฤดูหนาวเนี่ยถอดกีวอนออกหมดคือเราไม่บอกว่าหนาวแต่เรารู้รู้ ก, กายที่กระทบเย็นๆพอเราไม่ไปทำความขัดขัน์มั่นหมายว่าหนาวเนี่ยนะถอดกีวอรออกใส่อ่งศาตัวเดียวเนี่ยคนอื่นเท่หนาวกันตัวสั่นแต่เราไม่เป็นไร่ะอใส่การเดินไปเดินมาให้กายอบอุ่นนิดหน่อยอยู่ได้ไม่เป็นไรเราไม่ไปรู้สึกว่าหนาวเนี่ย แล้วก็เคยเคยทดลองนะั่แต่นั่งตากแดดเนี่ยทำไมาทดลองมาแล้วนะไปนั่งตากแดดแดดร้อนเปรี้ยงเนี่ยเดี๋ยพิสูจน์หลักธรรมะหน่อยหนึ่งก็ไปนั่งตากแดดไปนั่งตากแดดแล้วเราก็ไม่ไปสําคัญมั่นหมายว่าร้อนนะ่ะแต่กําหนดรู้กําหนดรู้อะไรกําหนดรู้รู้กายที่กระทบร้อนร้อนที่มากระทบกายเนี่ยรู้สึกตรงนั้นเนี่ยอยู่ได้ไม่เป็นไรอะ่ะลองลองไปทดลองดูนะว่าตรงนี้จะเป็นจริงไหม เนีย่ยจะมาได้ทดลองมาแล้วตอนนี้นั่งในท่ามกลางแดดแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าร้อนนั่งอยู่ในท่ามกลางอากาศหนาวแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าเย็นด้วยการกำหนดรู้นะด้วยการกำหนดรู้สติไวแต่เพียงเท่านี้นะขอให้ท่านทั้งหลายนั้นมีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งในการปฏิบัตินะในการเจริญสติแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้น มีสติปัญญาไวมีดวงตาเห็นธรรมขององค์สมเด็จ พ, พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกๆท่านทุกท่านเถิด